ตอนสังคมที่โหดร้ายวันที่20มีนาคม 2,559 า้กราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกาลยะมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆเป็นปกตินะทุกคืนวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วพ่อครกูก็เตรียมมาพูดบังเอิญมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแก้วไม่สบายด่วนก็พาไปโรงพยาบาล ทุกอย่างเราเหมือนระวางแผนได้แต่อย่าหวังนะต้องยอมพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงถ้าเราหวังปุ๊บเราจะผิดหวังนะถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎพระไตรลักษ์แล้วเนี่ยเราทำอะไรเราเรามีเป้าหมายเราก็เดินไปในขณะเดินไปก็ตั้งมั่นเดินอย่างเต็มที่ส่วนมันจะผลยังไงเนี่ยก็แล้วแต่เหตุแลปะปัจจัยนะก็มีวันนี้ก็มีคาถามบ้าง การเรียนถามพ่อครูค่ะการเข้ากรรมมีจุดประสงค์เพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรมีความจำเป็นหรือไม่การเข้ากรรมไม่ใช่เป็นรับกรรมนะนะคำว่ากรรมเนี่ยมันเป็นการกระทําเป็นกรรมฐานนะ อ, อ, อยู่ต่างประเทศเขามีการฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า darkness meditation นะ เดี๋ยวที่นี่เราจะทําอยู่นะดูว่าจะทำยังไงคือเขาไปทําสมาธิในที่มืดมืดนะมืดมืดอยู่คนเดียวแล้วก็ลืมตานะส่วนมากบางคนมีอุปทานเรื่องกลัวความมืดนะแล้วตอนนั้นเราจะเห็นอารมณ์เรานะส่วนการเข้ากรรมที่นี่เนี่ยเราหมุนเวียนกันเข้าเนี่ยหนึ่งเราเปลี่ยนอาลัยหมดเปลี่ยนสิ่งเว็ล้อมใหม่คือเขาไปนั่งดูตัวเองนะ ทีนี้มันมีแบบเข้มแล้วก็แบบธรรมดาและแบบเข้มแล้วก็เข้มมากๆก็แล้วแต่กำลังพละกกำลังของแต่ละคนนะก็คือปกติแค่สามวันนี้เนี่ยเราก็งดอาหารนะเรางดอาหารเพื่อพักผ่อนกระเพาะนะกระเพาะเราไม่เคยพักเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็กินกินกินกินกินกินแล้วก็กินนะ เราพักบ่อยว่าโรงงานนี้ไม่เคยหยุดเลยนะเราพักกระเพาะแล้วก็ไม่ต้องปิดวาจานอกจากว่าไปคุยกับตุ๊กแกหรือคุยกับผีเนาะเพราะไม่มีใครอยู่กับเรานะก็หยุดทั้งหมดนะหยุดทั้งหมดไม่ให้อ่านหนังสือไม่ต้องอ่านไม่ต้องทําอะไรไม่มีการกระทําเกิดขึ้นนะคืออยู่คนเดียวอยู่เฉยๆนะ เราจะเห็นอารมณ์เราชัดขึ้นนะมันว้าเวไหมมันกลัวไหมเออพอวันที่หนึ่งเขาอยู่ได้พอวันที่สองก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีอาการวันที่สามเนี่ยบางทีเห็นส้มตำลอยมาละไก่ ย, ย่างด้วยนะเราก็ดูเหมันนะคือไปดูตัวเองนะแล้วก็ไปพัก ถ้าพออันนี้เขาเรียกว่าดีท็อกเป็นการล้างพิษอย่างหนึ่งสัญชาตญาณเนี่ยพอเราขาดอาหารแล้วเนี่ยร่างกายมันมีอุปทานนะพอถึงเวลากินเนี่ยมันไม่ได้กินปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกรนะ้องนะมันจะเรียกร้องนะเออมันเป็นอุปทานของร่างกายแล้วดูที่ว่าจิตเราเป็นยังไงนะอันนี้ไม่ใช่ทรมานสังขาร น, นะอันนี้ทรมานกิเลสนะ คนเราไม่กิน3วัน5วัน7็ดวันไม่ก็ทั้งเดือนหนึ่งก็ไม่ตายเนาะนะพอเราหิวปุ๊บเนี่ยจิตเขาจะเอ่อเขาไม่ยอมปล่อยให้เราตายหรอกจิตเขาต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเดินทางเขาไม่ยอมยอมปล่อยให้เราตายง่ายๆนะเขาจะหลังสารนะมาขับพิษส่วนหนึ่งแล้วก็เอาพวกไขมันเราสะสมไว้มาเลี้ยงตัวเองเอาเป็นว่ามีจุดปรงเพื่ออะไรหนึ่งไปดูตัวเอง เราจะเห็นอารมณ์หิวเป็นยังไงอารมณ์กลัวเป็นยังไงว้าเวเป็นยังไงเหงาเป็นยังไงนะเออเราจะเห็นนะนั่นก็นมีประโยชน์อย่างไรก็มีประโยชน์เนี่ยคือได้พักผ่อนนะข้อที่สามมีความจําเป็นหรือไม่ก็พูดว่าจําเป็นไม่ได้พูดว่าไม่จําเป็นก็ไม่ได้แล้วแต่เหตุและปัจจัยความพร้อมแต่ละคนนะการเรียน หากหนูจำเป็นต้องมีการเรียนกับครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งทางโลกเพื่อพัฒนาวิชาชีพในองค์กรแต่ท่านก็สอนธรรมะด้วยแต่ลึกๆในใจหนูก็รู้ว่าท่านอาจไม่ได้มุ่งสอนธรรมะอย่างเดียวอาจมีการมุ่งขยายงานเพื่อให้มีกำไรในในองค์กรหนูสามารถเรียนกับท่านได้หรือเปล่าคะ หนูจะกลายเป็นคนหลายครูบาอาจารย์หรือเปล่าคะแต่หนูรู้และยังปฏิบัติสายพ่อครูอยู่คะ่ะเพราะจิตข้างในหนูบอกว่าที่นี่คือของแท้กราบขอบคุณพ่อครูคะ่ะตำรวจไม่จับนะอยากเรียนอะไรก็ไปเรียนแต่ต้องมีโยนิโสนมสัสการนะ เ, ออเรียนไปไม่ใช่เสียเวลาเปล่าเรียนแล้วก็มันต้องเกิดผลอะไรนะตำรวจไม่จับเนาะทีนี้ก็มีคำถามซึ่งถ้าไม่ถามพ่อครูก็พูดพ่อครูมีหน้าที่รายงานพวกเรานะพ่อครูตัดผมทำไมหลายปีก่อนบอกพ่อครูไว้ผมเหรอไว้ไว้ผมก็ถูกถามนะตัดผมก็ถูกถามเนาะนะนะพุทธศาสนาเราเวลาพระภิกษุ ทำพิธีบวชเนี่ยนะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้กรรมฐานห้าข้อคือขนผมเล็บฟันหนังนะมันอยู่ข้างนอกนะเอามาเป็นกรรมฐานนะเอามาเป็นกรรมฐานนะขนตานะขนจักระแรกระไรทั้งที่ ท, ท, ที่ที่เราเห็น เอ า, าเป็นกรรมฐานแล้วก็ผมนี่มันไม่ได้อยู่เฉยๆมันก็ต้องยาวแล้วมันดำพอแก่ปุ๊บมันก็ขาวมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนาะเล็บเหมือนกันไม่ตัดมันก็ยาวนะมันมันไม่เที่ยงนะหนังเหมือนกันเออตอนหนุ่มตอนสาวก็ตึงพอแก่มามันก็หย่อนยานนะเขาให้เอาเอาเป็นกรรมฐานมาพิจารณา ให้เราเห็นอนิจังทุกขังอนานตาแต่ตอนนี้เราเอากรรมาฐานทั้งห้านี่มาเป็นแฟชั่นนะขนตาต้องดัดนิดนิดใช่ไหมขนคิ้วก็ต้องทาดำๆหน่อยหน่อยเห็นหหน้าตาก็ปะแป้งทาสีเห็นผมนี่ต้องทรงนั้นทรงนี้นะเออว่าผิวหนังมันเหี่ยวย่นก็ต้องไปดึงหน่อยหนึ่ง เห็นไหมหรือไปอบซาวหน้าอะไรเนี่ยเราไม่เอามาเป็นกรรมฐานเรามันมาปรุงแต่งแทนที่จะได้ประโยชน์กับเกิดโทษเพราะสนองกิเลสกิเลสก็พองโตขึ้นทุกวันอุชาแต่งสวยขนาดนี้บังเอิญเขาเผอว่าอุ้ยวันนี้ทำไมกิเลสจังเนี่ยกูทุกข์อุชาแต่งขนาดนี้ยังไม่ชมเชยเห็นไหมเราไม่เอามาเป็นกรรมฐาน เราอามาเป็นแฟชั่นส่วนพวกครูยาวก็ยาวสั้นก็สั้นไม่มีผลสำหรับพวกครูแต่คนจีนเขาพูดคำหนึ่งว่าสื้อเจียนฉางจิวเปี่ยนชื่อหยานเวลามันผ่านไปเนิ่นนานมันกลายเป็นธรรมชาติกลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นบุคลิกภาพพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บความรู้สึกคนละมันเกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่รู้เท่าทานันปึ๊บ เราก็พิจารณาแล้วก็ไปตัดสินเนี่ยแค่แค่ตัดผมสั้นนะมีบางคนบอกเออดีดีดพอกูดูใสขึ้นบางคนไม่ดีผมยาวดีกว่าขังดีใช่ไหมในสํานักเดียวกันใช่ไหมนี่คือนานาจิตตังนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสั้นมันยาวก็ให้มันสั้นมันยาวเถอะไม่ต้องไปตัดสินดีไหมใช่ไหมแต่พอกูต้องรายงานพวกเราเพราะต่อไปนี้จากเมษาขึ้นไปเนี่ย พ่อคูพร้อมที่จะออกเดินทางไปทำหน้าที่ก็เที่ยวนี้เมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนได้มีโอกาสเดินทางไปอินเดียเนาะผมพ่อคูบางทีมันเส้นใหญ่เนะเวลาสาขึ้นมาเนี่ยมันพองเนนะเหมือนสิงโตเลยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นแฟชั่นอีกถ้ามันไม่ไม่ใช้น้ำมะพาร้าวลูบหน่อยหนึ่งมันไม่ลงนะ แต่สองปีที่ผ่านมาเออเราไม่ออกไปไม่เป็นไรไม่อยากรบกวนไม่ชี้ละไมนะเพราะกูก็อยู่ที่นี่มันไม่เป็นไรแต่พอเดินทางแล้วเห็นความไม่สะดวกนะอันนี้เราทําตามเหตุและปัจจัยไม่สะดวกก็เอาออกนะตอนมันยาวก็ไม่ได้ว้ายนะเพียงแต่ยังไม่ได้เอาออกเฉยๆเนาะตอนนี้ก็เอาออกเพื่อไป เดินทางมันจะได้ง่ายนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบมีก็ดูแลเขาตามตับอัตภาพไม่ต้องไปปรุงแต่งเขามากมายนะทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันก่อนพี่ปุ๊กเขาก็เอาชีตชุดหนึ่งหลายใบผสมครไปวางที่โต๊ะพระครูหัวข้อคือเด็กๆหคนนี้ต้องฟังน่อยนะ มหาวิจัย ไ, ไม่เคยบอกกูมหาวิทยาลัยไม่เคยบอกกูเรื่องจริงจากการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ที่อยากให้ทุกคนได้อ่านโอเคนะพวกกูจะอ่านให้ฟังเพราะทั้งสี่ห้าคนนี้ยังไม่เคยเข้าไปมหาวิยาลัยมีแต่ไปเที่ยวเฉยเขาเริ่มต้นหัวฟัดหัวเวียง สบดต่างๆน า, นาๆเพื่อนผมคนนี้ทำงานอยู่สำนักพิมพ์หนึ่งซึ่งปลดพนักงานจำนวนมากแล้วมันก็เป็นหนึ่งในนั้นรู้งี้กูไปขายรถกับมึงก็ดีเขาพูดออกมาเหมือนประโยคบอกเล่าระบายออกมาผมรู้ดีว่าเขาแค่อยากพูดไม่ได้อยากจะไปทำอะไรจริงๆแค่อยากระบายออกมา ผมเลยไม่พูดอะไรโชคดีที่เพื่อนผมคนนี้บ้านรวยเอาจริงๆคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่แค้นที่ถูกปลดออกมาทั้งที่ทำงานดีเขาหัวเสียที่ทำงานดีมาตลอดแต่สุดท้ายบริษัทก็เอาตัวรอดทิ้งเขาจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เพื่อนผมหรอกเพราะผมลองเ e ิร์ช Google คำว่าปลดพนักงาน มีข่าวเป็นสิบหน้าเขาบอกให้กูไปทำแผนกเอกสารแล้วลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งเท่าเด็กจบใหม่พูดง่ายๆคือไล่ทางอ้อมให้เหตุผลว่ายุคนี้คนไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีใครซื้อแต่ก็ถูกของแม่งแหละยุคนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเขาพูดเพราะ เทคโนโลยีมันเจริญมากหนังสือพิมพ์ขายไม่ออกนะผมพยักหน้าให้เขาไม่รู้จะพูดอะไรผมนึกในใจผมเป็นคนบุ ค, คลิกพูดตรงๆเดี๋ยวเผอพูดอะไรขวานผ่าซากไปอันนี้ภาษาเวลุ่นเนาะนภาษาไทยก็เปลี่ยนนะนะปรุงแต่งมานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าอะไรลูกเดี๋ยวนี่ก็คงเดี๋ยวเนาะ เดี๋ยวเผลอพูดอะไรขวานผ่าซากไปจะกลายเป็นสอนกันไปผู้ชายไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาสอนโดยที่มันไม่ได้ถามตอนนี้มันคงไม่อยากได้ใครสอนมันคงอยากได้แค่คนฟังมันเขาพูดต่อแล้วมหาวิทยาลัยมันไม่รู้หรือวะว่ามันจะตายแล้วคนเก่าก็โดนไล่ออกเด็กจบใหม่จะทำ ะจะทำอะไรพูดหยาบๆเนาะทำอะไรแดกเนาะในเมื่อตลาดไม่ต้องการให้หาเอ้ยนี่เด็กจบปริญญานะจนในที่สุดผมก็ตัดสินใจพูดมาหาอะไรไม่รู้หลอกว่ามึงจะตกงานสมัยสิบปีที่แล้วใครจะรู้มึงก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้นะตำลาเรียน มึงก็เก่าสิ่งที่สอนเอาตรงๆแทบเอามาใช้ไม่ได้แต่เขาไม่ได้หลอกมึงหลอกแค่สมัยนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนมึงนี่แหละจะมีกี่คนที่รู้ว่าอีกสิบปีสื่อสิ่งพิมพ์จะเริ่มหายไปกูไม่มีจตนาจะว่านะแต่มึงก็รู้ระบบการศึกษาไม่ใช่แค่บ้านเราแต่ทั่วโลกก็เป็นปะขนาดหนังสือพิมพ์มึง ยังพิมพ์ไม่ทันโซเชียลเลยยุคนี้ข้อมูลมันเร็วมากมึงก็รู้แล้วมึงคิดดูดูดิสมัยเด็กกระทรวงศึกษากว่าจะสรุปออกมาเป็นรูปเล่มกว่าจะประมูลกว่าจะพร้อมพิมพ์เป็นหนังสือเรียนมึงคิดเอาดิหมามึงตายสองรอบแล้วถึงพิมพ์เสร็จจำได้ไหมละ่ะสมัยเรียนตำรารุ่นพี่เราเกือบสิบปี เรายังขอเขามาใช้ได้เลยสิบปียังเรียนเล่มเดียวกันสัตว์จริงกูจําได้ใช้ยันน้องคนเล็กห้าหามันหัวเราะนะมันคือความจริงที่ต้องยอมรับว่ามันเอาพาอสาพ่อขุนลามมาใช้หมดเนาะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมึงก็เลยเรียนได้เรียนความรู้ ที่เก่าเรียบร้อยแล้วมึงจำได้ปะว่ามึงกับกูเคยเรียนล้างฟิล์มแล้ววันนี้ละ่ะมีใครให้ฟิล์มมีใครใช้ฟิล์มไม่ได้ว่าไม่ดีนะมันได้ประสบการณ์ก็สนุกดีแต่มาถึงวันนี้มันก็ลาสมัยแล้วไม่ได้ใช้อย่างกรณีบิวเกตตอนลาออกจากมหาลัย เพราะเขาเคยบอกเสียเวลามานั่งเรียนความรู้ที่หมดอายุความรู้ที่หมดอายุเขาไปอยู่กับสิ่งที่อยากทำดีกว่าอันนั้นคือออกเพราะเก่งกว่าอาจารย์เพราะเขาอยากไปเรียนจำเพาะเจาะจงมากกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเรียนในหมาหาวิทยาลัยไม่ใช่ไม่ดีนะเว้ยมันมีอะไรเรียนรู้ระหว่างทางมากมายมันก็มีของดีแทรกอยู่ในนั้น ทั้งความรู้ทั้งสังคมถ้าไม่ได้เรียนเราก็คงไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเรียนได้ก็ควรเรียนแต่ถ้าเรียนแล้วหาความรู้เพิ่มได้ก็จะยิ่งดีเพราะความรู้ในห้องเรียนอาจจะทำให้กูและมึงได้ประสบการณ์แต่ความรู้นอกห้องเรียนที่อัปเดตและความรู้เฉพาะทางสำคัญกว่ามากมึงก็เลยไหวตัวทันตอนนั้นใช่ไหมเพื่อนถามใช่เพราะกูศึกษาไง กูศึกษาเทรนโลกยุคนี้ง่ายจะตายเน็ตก็มีแบบพี่โน้ตอุดมแซวบอกในเดี่ยวสิอยากรู้อะไรก็เรียนได้เลยกูโก้คนรุ่นนี้ใครใช้สื่อเป็นก็เรียนรู้ได้เร็วได้แล้วอย่างเมก้ามันออนไลน์มานานแล้วซื้อของเขาก็ออนไลน์ มาตั้งแต่ตอนเราเรียนแล้วหนังสือมันก็สั่งออนไลน์กันมีทั้งส่งเป็นเล่มและอ่านในคอมตอนนี้ไทยก็เริ่มเป็นเต็มเต็มตัวละผมตอบสรุปยุคนี้มึงพึ่งการเรียนทางเดียวไม่ได้แล้วมึงต้องอัปเดตหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเพื่อนยิ้มแล้วไม่ตอนเรียนไม่บอกกูบ้างวะไอหากูบอกมึงว่าโทรศัพท์ปุ่มเยอะ ต่อไปจะไม่มีแล้วมึงก็ไม่เชื่อกูบอกว่าต่อไปนี้ความตั้งโต๊ะจะตกยุคเพราะโทรศัพท์มือถือทําได้ทุกอย่างมึงก็ว่ากูบ้าแล้วถ้ากูบอกว่าที่มึงเรียนกันมาอนาคตจะสูญพันธ์มึงจะเชื่อกูไหมเพื่อนหัวเราะออกมาพร้อมบอกว่ากูกับอาจารย์อาจจะจับมึงไปขังเหมือนกาลิเลโอพูดว่าโลกกลม เออจริงถูกของมึงวันนั้นไม่มีใครรู้จริงๆรงรวมทั้งทั้งเด็กที่กาลังเรียนมหาลัยตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวบางคนยังชิวใครที่ศึกษาข้อมูลแบบมึงก็รู้ทันไปใครไม่ศึกษาก็คิดแบบกูว่าเรียนจบหางานทำได้คือรอดแล้วชีวิตแต่จริงๆแม่งไม่เลย กิจการแบบเก่าพร้อมจะปิดตัวเป็นลูกจ้างก็เสี่ยงได้ให้หาต่อไประบบฟรีแลนซ์จะเป็นที่นิยมเจ้าของก็ไม่อยากจ้างยาวๆแล้วคนทำงานก็ไม่อยากติดกรงอยากเป็นอิสระก็วินวินไม่ต้องเลี้ยงดูกันจ่ายกันตามผลงานแล้วเขาก็ถอนหายใจแล้วพูดต่อว่า กูแม่งสวยเพราะไม่ศึกษาโลกเองผมบอกเอาหน้าก็ไม่สายนี่ว่าคิดได้วันนี้ก็ทำวันนี้บางทีการตกงานอาจจะโชคดีก็ได้นะมึงจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆสักทีและคนแย่กว่ามึงก็มีการที่หนังสือพิมพ์มึงเจ๊งมึงยังได้เงินชดเชยบ้างแต่มึงคิดถึงแฟนแฟนคอลัมน์มึงปะ่ะ ว่าไม่มีคอลัมน์มึงลำบากแค่ไหนอืมเขาคงคิดถึงกูเพื่อนตอบใช่เขาคงคิดถึงมึงเพราะเขาไม่มีกระดาษหนังสือพิมพ์กับคอลัมน์กากๆของมึงมาพับถุงขายแล้วรู้ไหมเขาต้องสูญเสียรายได้เท่าไหร่เพื่อนนึกในหัวอยู่สองสามวิแล้วพูดว่ามันดาาอันนี้ไม่ต้องพูดนะมันดาด่าหยาบมากคอลัมน์กูมีค่า คุณต่อผู้คนจริงๆสัตว์ทั้งผมและเขาก็หัวเราะกันเสียงดังเอเทนนะปินออฟเซลบทความยอดทิศอันนี้พ่อคูจะโยงไปถึงสังคมปัจจุบันอันนี้พูดถึงหมาอะไรแล้วก็แถมอีกนิดหนึ่งสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ย มีลูกสาวญาติธรรมมาทำบุญที่ศูนเขากำลังเรียนมาหาลัยที่อุบลแห่งหนึง่งนะปีสุดท้ายมานั่งคุยในห้องติวเนี่ยเป็นชั่วงโมงกว่าพอกูก็นั่งฟังด้วยเขาบอกปีนี้เขาไม่จบหรอก เพราะาภาษาอังกฤษเขาไม่เก่งเขาตอกว้เขาไม่เรียนเลยเอาไว้ปีหน้าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็คุยกันหลายอย่างที่นี้แกบอกพ่อครูว่าไม่จําเป็นอย่าส่งเด็กไปเรียนมหาวิเลยนะที่ไหนเหมือนกันบอกให้พ่อครูเปิดมหาวิเลยเองบอกว่าทําไมลูกโดยเฉพาะเด็กที่ไปอยู่ประจํา ตั้งแต่ปีแรกปุ๊บครึ่งเทอมหลังนี่มันก็มีคู่กันหมดถึงจะมีหอพักชายหญิงกะช่างมันเขียนชื่อเฉยๆแต่ใครก็ไปนอนได้พราะครัวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันบอกร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเด็กต่างอำเภอที่ไปเรียนข้างในนั้นพ่อแม่ก็ส่งเงินไปให้ก็เอาเงินไปกินเหล้าหน้าหม า, ายอะไรไปเที่ยวเตะกันแล้วก็มั่วสมกันบางคน ของระหว่างการเรียนก็ต้องออกไปบางคนก็ติดเอชอาจารย์อ้อยเขาเป็นอาจารย์สอนหมายเวลยเขาก็บอกว่าเขาแก่เกินไปแล้วยุคนี้มันมันเร็วขนาดนี้เหรอนะคือเด็กเขากลายเป็นเรื่องปกตินะถ้าใครไม่มีคู่นี้ผิดปกติคือคือ แล้วตอนนี้สังคมก็ยอมรับแล้วว่าโอเคมีท้องก็มาเรียนได้เพราะมันมีเยอะมากแต่ถ้าในแง่ชีวิตแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเมืองไทยเป็นพุทธานิกชนเป็นศาสนาประจําชาติมีพุทธจดีคนถึงเกกว่าเปอร์เซ็นต์เรียนวิชาหาเงินยังไม่จบวิชาใช้เงินเป็นดอกเตอร์กันหมด แล้ววิชาทาชั่วนี่ยก็เก่งมากคำว่าชั่วหรือดีนี่เอาอะไรมาวัดถ้าในทางศาสนาพูดเอาเรื่องศีลมาวัดเอาเรื่องกุศลก็เอากุศลมาวัดนะโกหกเอาเงินแม่พ่อแม่นี่ก็โกหกละผิดศีลละแทนที่เราจะไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยมันแล้วทีนี้พอเงินหมดก็ไปขโมยไปขายตัวบ้างเออคนนี้ราคาแค่นี้แค่นี้เขาพูดออกมาหมดเลย <laughs> เขาใช้คำว่าถ้าไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยเสร็จหมดบางทีคู่คนบางทีมันไม่ต้องการหรอกมันก็ใส่ยาผสมเครื่องดื่มให้กินน่ากลัวมากเรียนเป็นเรียนให้มันดีก็ยังยังยังไม่รู้ดีแต่มันมันเผอตัวก็เป็นไปนเป็นทชั่วละ มันสะท้อนเห็นสังคมเป็นเพราะยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้พ่อแม่ต้องการให้ลูกมีอนาคตก็ส่งไปเรียนแต่ไม่ห่วงชีวิตลูกถ้าคนเราเนี่ยมีแต่อารมณ์เรื่องพวกนี้นะถึงจะเรียนเก่งกลุ่มเด็กคนนี้เนี่ยเขาเคยพ า, พามาที่ศูนย์นะ มาทำบุญที่ศูนย์เนี่ยมาดูแลเด็กที่นี่เนี่ยนะคนที่พูดให้คูฟังเนี่ยทั้งหมดมันเรียนเก่งแต่ว่ามันมั่วสุมกันหมดทุกคนแล้วละแล้วคนที่เคยมาที่นี่แค่ปีที่แล้วมั้งบอกตอนนี้มีคนหนึ่งออกจากหมายไหลไปแล้วเพราะว่าตั้งทอง พอครูถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเรียนไปทำไมเราเรียนเพื่อเราจะเป็นคนดีใช่ไหมนะแต่ยังเรียนไม่จบเลยก็เป็นคนไม่ดีแล้วไงกลายเป็นปัญหาหนักของพวกครนะูแต่ยุคนี้บางทีมันไม่เรียนก็ไม่ได้ไงนะเพราะเวลาไปทำงานหรือว่าเขาไปทำอาชีพผมก็ถามหาปริญญาบางทีนะแต่บิลเกตไม่เรียนนะบิลเกตเขาเดินออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็าบอกไร้ศาระนะ เขาไปเรียนด้วยตัวเขาเองแต่บางกิจกรรมเนี่ยบางอาชีพแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านตรงนั้นมันก็สังคมเขาไม่ยอมรับถึงว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่พ่อครูเองเนี่ยอยู่อเมริกาหลังจากสามชั่วโมงที่มันเปลี่ยนชีวิตแล้วพว่อคูไม่ต้องคิดเลยพ่อคูหยุดชีวิต นะหลอนน้องดอนคลอดปุ๊บครบ6เดือนพ่อกูณน้องขีกับน้องดอนเนี่ยจากเมืองนอกมาอยู่ป่าไม่ให้ไปโรงเรียนแต่หลังจากดูแล้วเขาก็ต้องเรียนก็ไปฝากโรงเรียนในหมู่บ้านเพราะที่นี่ไม่แข่งขันแล้วอยู่ในสายตาเราตลอดจนถึงป .6 พ่อคูก็เปิดกศนเขาก็จบกศนที่นี่น้องขีก็ไปบวชเรียนที่วิยาลยไม่ชี่ คูปุ้ยครูเยี่ยงส่วนผู้ชายไปบวชเนนน้องดอนก็นไปบวชเนนไปเรียนที่พิจเลยสงเอาผ้าขาวเอาผ้าเหลืองห่อไว้แล้วพวกเขาก็รอดพ้นจบออกมานะก็สาทิตไปเรียนปริยาโทกันที่อุบลแค่ปีครึ่งพวกเขาเรียนเก่งมากนะเรียนกศน ปันเดีนตีก็เก่งนิดเยวอันดับหนึ่งทั้ง3าคนเลียบเบียโทก็น้องขีกับเอี้ยงก็ปริยาโทอันดับหนึ่งคูปุ้ยไม่ได้ไปเรียนพอจบปุ๊บคูเอี้ยงก็ไปตามผู้ชายเพราะครูเลี้ยงไม่ตั้งแต่เด็กแค่ปีครึ่งนะเพราะคูอบรมตั้งแต่เด็ก มันแรงขนาดนั้นแหละจริงๆแล้วแต่งงานไม่เป็นไรนะเออจบแล้วแต่งนะนะก็ให้มันถูกต้องคือถ้าเด็กอ่อนแอเนี่ยมันไปอยู่ในวังบนตรงนั้นน่ะมันจะสู้กระแสไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมทุกวันนี้กับเด็กๆทุกวันนี้เป็นปลายเหตุ นะต้นเหตุพกก่อคูจะตามพาพวกเราไปนะพกก่อคูเคยอยู่อเมริกาพกก่อคูเคยค้าขายไปทั่วโลกไปยุโรปไปญี่ปุ่นไปทุกประเทศอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเป็นคนตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรี โดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันเป้าหมายชีวิตคือความสาเร็จในชีวิตคือนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซล์ m ม x i m i z a t i o ันมันหมายแปลว่าคือทำให้ตัวตนขยายใหญ่ขึ้นมีความสำคัญมากขึ้นทำให้ใหญ่ที่สุดเพื่อราบยสศสรรเสริญ คือความภาคภูมิใจคือความสุขเขาช่วยเหลือสังคมบ้างในขณะที่เขาค้าขายเขาต่อสู้กันเนี่ยเขาก็จ่ายภาษีบ้านเมืองก็ส่งเสริมให้เขาค้าขายามากบ้นก็เก็บภาษีแล้วก็มาสร้างเครื่องลงอถนนหนทางอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนเขาเป้าหมายเขาไม่ได้ทำเพื่อชีวิตเป้าหมายเขาเพื่อความยิ่งใหญ่ เพื่อ GDP เพื่อตัวเลขนี่เล่าให้ฟังก่อนนะถึงไม่แปลกหรอกไอเด็กหนุ่มสองคนเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่ามาหายอะไรไม่บอกกลัวเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเขาขายไม่ได้เขาก็ไล่เราออกเขาไม่ได้มองเราเราเป็นมนุษย์สังคมทุกวันนี้มนุษย์เป็นแค่ทรั พ, พยากรในสายตาของทุนนิยมพราะครูเคยบอกว่าถ้ามนุษย์เป็นแค่ทรั พ, พยากรก็ไม่ต่างกับปุ๋ยหมกัก ขี้วัวขี้ไก่ก็เป็นทรัพยากรเราไม่ได้เป็นคนละนะอันนี้ล่ให้เขาไปเห็นก่อนนะว่ามันมาจากไหนมันมีการแข่งขันเลยกลายเป็นว่ามีการแข่งขันยื้อแย่ง นะเพิ่มอาวุธทางปัญญาพูดหน้าตาเฉยนะสมัยก่อนพวกูก็พูดเราเป็นทุนข้ามชาติสมองเรามีแต่ว่าทำยังไงจะชนะชนะคือได้แพ้คือเสียในสมองเรามีแค่นั้นเราถูกสอนมาอย่างนั้นนะการแข่งขันยื้อแย่งได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจทีนี้ก็กลัวเสียกลัวจนนอนไม่หลับ เกิดความกังวลเกิดความเครียดเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพาะนะทีนี้เร็วๆนี้เนี่ยบังเอิญพวกครูไปอ่านเจอมีนักเขียนชาวอเมริกันเขาเคยเขียนสรุปสภาพชีวิตจิตใจของคนในสังคมอเมริกันซึ่งพวกครูอยู่จเนน พ่อครูรู้แต่พ่อครูไม่ได้ลงรายละเอียดในเป็นภาษาพูดเขาเรียบเรียงนะสรุปสภาพชีวิตจิตใจของคนในสังคมอเมริกันปัจจุบันไว้ว่ามีสภาพที่เป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากบุคคลไม่ได้รับการสนองความต้องการพื้นฐานสามอย่างคือหนึ่งความต้องการรวมมู่ ภาษาอังกฤษเขาบอก need for community เพราะว่าเขาอยู่กันแบบปัดเจ็บพ่อแม่เลี้ยงลูกปุ๊บ18ปีปุ๊บส่วนม่านบอกบายบายมันก็หิ้วกระเป๋าออไปลูกขึ้นมาปุ๊บบายบายไปปีหนึ่งวันคริสต์มาสปีใหม่ของเขาเนี่ยจะมาเจอพ่อแม่วันหนึง่งพอพ่อแม่แก่แั่แก่บเนี่ย่ ไม่มีใครดูแลก็ไปอยู่ศูนย์คนแก่คนชราชีวิตเขาเป็นปัจเจกนะเขาไปติดว่าเป็นฮีโร่เขาต้องเก่งนะความอบอุ่นในครอบครัวมไม่มีนะเนี่ยเขาสรุปว่าข้อแรกเนี่ยเขาต้องการการรวมหมู่ในะขณะที่คนไทยเราเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคนไทยเรายังมีตรงนี้ เมื่อเช้านี้พี่น้ำลูกไม่ครัวแหลกนะก็ลาพ่อครูเนี่ยไปดูย่าอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์ที่แล้วก็ไปสามวันก็กลับมาทำงานก็ปล่อยให้พ่อไปนะวันนี้พ่อมาทำงานแกก็ไปดูคุณย่าเราก็ยังอยู่แบบครอบครัวใหญ่คนแก่ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง แต่คนอเมริกันเนี่ยเขาเหงามากเขาต้องการรวมหมู่นะ e d for community และข้อที่สองความต้องการแบบแผนหรือยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่า structure เพราะชีวิตเขาเสรีมากอิสระมากมันจะเลือกอะไรก็ไดไ้จนสุดท้ายแล้วมันงงไปหมดเลย มันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยมันกลับกลายว่ามันต้องการไปอยู่ในชุมชนที่เขามีกติกามีอะไรเนี่ยนะมันต้องการมีมีแบบแผนดืนมีที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยเขาเสรีจนจนตอนนี้เขาเคว้งมากทีนี้ข้อสามความต้องการความหมายของชีวิตคือมีนิ่งเขาหาคำตอบไม่ได้ว่า ชีวิตเขาไปไหนเขาไม่รู้เลยมันน่าตกใจไหมเป็นประเทศอันอันดับหนึ่งของของโลกเศรษฐกิจสังคมการเมืองใหญ่ที่สุดในโลกแต่คนของเขาทุกข์มากสรุปหัวข้อที่แสดงถึงสภาพชีวิตจิตใจของคนตะวันตกที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันซึ่งมีปัญหาในลักษณะที่เป็นความขัดแย้ง ในตัวมันเองนะคือข้อที่หนึ่งในขณะที่สังคมมีคนมากมายคับคัง่งยิ่งขึ้นคนเยอะมากแต่บุคคลกับโดดเดียวเดียวดายหวาเวยิ่งขึ้นสภาวะอย่างนี้เนี่ยคนกรุงเทพเรากาลังจะเป็นคนเต็มเมืองเลยวุ่นวายไปหมดเลยแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าหวาเวเดียวดายเหมือนอยู่คนเดียว เพราะมันเป็นชีวิตที่เป็นปัดเจกมันแข่งขันข้างบ้านกูไม่ต้องรู้จักกันไม่มีเวลานะอันนี้เขาสรุปนะก็ชัดเจนเพราะกูก็เห็นเพราะกูก็อยู่ที่นูน่นอยู่อเมริกาข้อที่สองในขณะที่คนกำลังฝ่หาต้องการให้ตัวตนของตนได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่เพราะเป้าหมายมันคือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องดังต้องรวยนะ สังคมกับปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นตัวเป็นตนยิ่งขึ้นมันเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า impersonal ไม่ได้มองเราเป็นคนแล้วเป็นแค่เครื่องจักรพอมันจะเอาเอาพอไม่เอามันก็ไล่เราออกมนุษย์เราเป็นแค่ทรัพยากรเ ป, เป็นน็อตตัวหนึง่งในเครื่องหนึง่งบังเ อ, นนอิญน็อตมันหวานมันเสียปุ๊บจับโยนทิ้งปิ้ว อนอทตัวใหม่เข้ามา Impersonal คือไม่ได้มองเราเป็นคนข้อที่สในขณะที่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีช่วยให้คนมีวัตถุปลนเปลือพรั่งพร้อมเต็มบ้านแต่ในใจคนกลับว่างเปล่ากลวงโบยิ่งขึ้น มีแอร์มีฮีตเตอร์มีรถใช้มีตู้เย็นมีหมดแต่ข้างในกวงโบนะแล้วข้อที่สในขนาดที่คนผู้กวงโบข้างในเนี่ยวิ่งหนีจากตัวเองนะออกจากบ้านออกไปหาจะพึ่งพาสังคมสังคมก็ทำให้เขา อ, อกหัก เพราะขาดความจริงใจไม่ตรีที่แท้จริงเพราะทุกคนล้วนแต่กลวงโบเช่นเดียวกันคนกลวงโบก็ต้องการเติมเต็มใครจะมีส่วนเกินจะแบ่งเรานะแม้จะมีการยิ้มก็ยิ้มแบบธุรกิจยิ้มเพราะอยากได้ของเรา คือไม่ได้ยิ้มแบบจริงใจมีความพร่องหรือว่างเปล่ามานะเรากวงโบไงแล้วก็วิ่งจะไปเติมเต็มใช่ไหมใชม่ก็ได้ความพร่องหรือว่างเปล่ากลับไปเหมือนเก่าต่างคนก็ต่างเพิ่มเติมความพร่องและว่างเปล่าซึ่งกันและกันกลับบ้านเพราะไม่มีใครพอสักคนหนึ่ง เศรษฐีก็ยังไม่พอคนจนก็ยังไม่พอความมีเมตตาการุณามุทิตาอยู่คำไม่มีนี่คือวิถีสังคมอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและความคิดแบบนี้กำลังมาเมืองไทยหัวเมืองใหญ่ๆก็ เ, เป็นแบบนี้แล้วนะจึงมีสั์คาพูดที่ยอดฮิตในยุคปัจจุบัน นะซึ่งไม่น่าเกิดในสังคมที่บอกว่าสีวิเลยเมื่อเรารวยแล้วเทคโนโลยีเราแล้วนี่มันควรไม่จะมีไ ม, ไม่ไม่มีคำพวกนี้นะเช่นภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำว่า stress stress ความเครียดเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วเราจะเครียดทำไมเครื่องนวยสะดวกมีหมดเลยเห็นไหมแล้วก็อันหนึง่ง anxiety ความวิตกกังวลนะเอเรเนชัความรู้สึกแปลกแยกพวกมึงพวกกูตอนนี้เมืองไทยก็กำลังเกิดขึ้นมันแข่งขันไงมันก็กลัวแพ้ทุกคนก็อ้างข้า ง, างคๆครูเนี่ยนะทุกคนรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลัวไปหมดเลย นะความรู้สึกแปลกแยกนะแล้วอีกคำหนึ่ง boredom boredom ความเบื่อหน่ายอันนี้พ่อครูเจอเต็มๆเลยตอนนั้นอีกอันหนึ่ง loneliness loneliness ความเหงาว้าเหวเดียวดาย ในขาดที่ผู้คนเยอะแยะเลย Inner Emptiness ความรู้สึกว่างเปล่าในภายในเหมือนเราขาดเราหาสิ่งเติมเต็มให้ตัวเองไม่ได้นะและอีกคำหนึ่ง lack of direction อันนี้น่ากลัวมาก l a ็กออฟไดเรกชัความรู้สึกไร้จุดหมายไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนทำงานแล้วก็อยู่ไปวันวันหนึง่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็อีกอันหนึ่งไซคล์สวเลนเดอร์สภาวะจิตที่ สยบยอมกลายพนเบื่อคิดไม่กล้าคิดอะไรยอมรับชะตากรรมนี่ประเทศที่จเจริญที่สุดในโลกผู้คนหมู่มากกลายเป็นซิกเพ e r s o n นคนป่วยซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมที่ เจ็บป่วยเรียกว่าซิกโซซิตี้แปลกไหมจเจริญที่สุดในโลกไงแล้วแปลกอีกอย่างหนึ่งนะเร็วๆนี้เมืองไทยเนี่ยนิสสารอะไรเนี่ยองค์กรไหนเขาให้เมืองไทยเนี่ยในแง่เศรษฐกิจแบบความสุขเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกน่าเชื่อไหม คือถ้าเข้าไปดูในชนบทหรือว่าไปดูคนส่วนใหญ่ที่เขายากจนอยู่นะเราสังเกตดูไปดูคนงานเราเนี่ยและแปลกมากคนงานที่ศูนย์ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะมันไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยนะมันหัวรอดทั้งวันแต่ในขณะถ้าจะไปเอาข้อมูลนี้ในคนเมืองน่ยคนเมืองเราเริ่มเครียดแล้วไม่ต่างอะไรที่อเมริกาแต่คนส่วนใหญ่ที่เขายากจนอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ เหมือนแม่ครัวเรานี่นะแปลกมากนะเขาไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ถ้ามีเงินกองทุนไหนมาเขาให้กู้กูกู้หมดเลย <c oughs> กู้แล้วก็บอกว่าพอถึงวันจ่ายเอ้ยไม่มีจ่ายมึงจะยังไงจับกูไปเลยก็ได้เขาก็หัวเราะนะก็ไม่ได้ทุกนะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เนื่องจากเราเกิดสภาวะแบบนี้ก็เกิดความเครียด นะเมื่อวันก่อนก็นั่งคุยในครัวนะนะคนนั้นก็ความดันคนนี้ก็ความดันความดันสูงเนาะความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากโรคอะไรดูไหมโรคดันทุลังกูจะบืนตายไปเนี่ยละ่ะคี้อยู่นั่นแหละไม่เลือกไนะโรคดันทุลังมันดันให้ความดันสูงนะก็เราหาเรื่องเองไง ทีนี้เอาล่ะปัญหามันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เราทำยังไงทำยังไงนะพระครูจะพูดเรื่องศาสนาพุทธเราฟังอันนี้ต้องขอเอาบทความของต้องอัญเชิญบทความของพระอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตในยุคนี้ถือว่าท่านเป็นปาาทางสงในทางปริยัตวิชาการเนี่ย เชื่อถือได้ท่านแม่นมากดูว่าท่านจะว่ายังไงท่านบอกส่วนพุทธศาสนาแทนที่จะเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการแก้ไขที่ตัวบุคคลคนเดียวด้วยตัวเขาเองโดยลำพังท่านชายคำว่าท่านกลับไปเน้นวิธีท่านนี้น่าจะหมายถึงพระพุทธองค์ไปเน้นวิธีแก้มาจากสังคมโดยมีวิธีการที่ยืดหยุน เช่นการแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรจะให้คนมีความสุขในการอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวก็สุขนะสำหรับคนที่ถึงขั้นจริงๆแก้ได้ในระดับปัญญาโดยใช้โยนิโสนมัสิการการพิจารณาโดยแยกคายเนี่ยนะอย่างเดียวก็พอ เป็นการแก้ที่ตัวเองโดยตัวเองคนเดียวได้เลยคือบรรลุธรรมได้เองนะแต่ต้องเป็นคนที่ถึงขั้นจริงๆไม่ใช่ทางสายกางยกตัวอย่างเจ้าชา ย, ยิ่งถะไดไมไม่ต้องยกตัวอย่างพระครูนะพระครูอาจจะฟุกก็ได้ไม่มีบารมีขนาดนั้นนั่นหละเกิดจากตัวเองต้องระดับปัญญาเนี่ย ต้องถึงขั้นถึงจะปลดปล่อยตัวเองได้นะแต่คนส่วนใหญ่จะทำไม่ได้อย่างนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ปัญหาของบุคคลจะเริ่มต้นจากวิธีการทางสังคมย้อนมาหาตัวบุคคลนะพระพุทธศาสนาจะให้เริ่มจากมีกัลยาณมิตรโดยเราช่วยจัดให้คนที่ไม่มีความสุข ในการอยู่คนเดียวที่มีความอ้างว้างว้าเวว่างเปล่าข้างในนั้นให้มีกรารันณมิตรซึ่งเป็นคนที่เต็มข้างในแล้วคนที่จะเป็นกรารยนตมิตรเนี่ยต้องข้างในเต็มก่อนไม่ใช่ไม่ใช่โหวเหมือนเขาอะนะถ้าโหวก็จะพาเขาโหวเหมือนกันนะมาช่วยคนที่อ้างว้างภายใน โดยช่วยทางด้านจิตใจก่อนการช่วยในด้านจิตใจนี่คือทำให้คนที่ว่างเปล่าภายในมาหาและอยู่ในสังคมที่ไม่อกหักศูนย์พลานคอยนีย่เรียกว่าสังคมที่ไม่อกหักได้ไหมผู้คนมาที่นี่ต้องซื้อตั๋วเข้ามาไหม นะกินข้าวพระแขเนี่ยต้องจ่ายเงินก่อนไหมนอกจากมีบางคนยังไม่ยอมหยุดนะจะไปหารหายได้จากเขาเนี่ยจะทำให้เขาอกหักสูนี้พระกูไม่ทำอย่างนั้น27ปีนะเราสร้างสังคมซึ่งให้ผู้คนที่เ็าอกหักนะข้างในกวางโว นะมาเขาจะรู้สึกเขาปลอดภัยมาเจอแต่คนซึ่งมีแต่ความอิ่มเต็มไม่หิวกระหายซึ่งเป็นกิลยรรมิตรที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าถูกทรยศหรือหักหลังแต่เขารู้สึกว่าได้รับน้ำใจหรือความจริงใจเป็นการช่วยเหลือให้เขามีความเติมเต็มภายในได้ อันนี้เริ่มจากสร้างสังคมนะคนอเมริกันต้องการสังคมนี้เยอะมากแต่มันไม่มีใครจะเสียสละแบบนั้นกาลยาณมิตรนอกจากช่วยทางด้านจิตใจแล้วก็จะช่วยทางด้านปัญญาด้วยก็คือการช่วยให้คนนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของตนเองและรู้เท่าทาันโลกและสังคม และสังคมแต่ถ้าเราไม่เต็มเปี่ยมแล้วเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เท่าทันทังคมล้วก็วิ่งไปตามสังคมคนตามสังคมอยู่จะไปสอนให้คนอื่นเขารู้เท่าทันสังคมได้อย่างไรจนกระทั่งคนนั้นเป็นอิสระมีอิสระภาพเพราะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงจัดเป็นการแก้ปัญหาจากสังคมมาหาตัวบุคคลไม่ว่าจะ จัดเตรียมสถานที่ที่สั ป, ปะยะมีปัจจัยสี่เพียงพอไม่เดือดร้อนสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาโดยเริ่มจากสังคมนั้นเข้ามาหาจิตใจก่อนแต่ด้านจิตใจก็ยังไม่พอต้องถึงปัญญานี่คือระบบของพุทธศาสนาเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วบุคคลนั้นจะช่วยตัวเองได้ และเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยที่มีความสามารถที่จะทำให้ตนเองเป็นสุขในการอยู่คนเดียวโดยลำพังชีวิตเราเกิดมาคนเดียวนะเออบางคนอาจจะดึงเพื่อนมาด้วยเป็นลูกฝาแฝดอะไรก็ช่างแต่มันต่างคนต่างมานะมันไม่ได้จูงแขนกันมาเนี่ยมันต่างคนต่างมาเจอที่น่น และเวลาเรากลับบ้านเก่าเราก็ต้องไปคนเดียวถ้าชีวิตจริงเราอยู่คนเดียวไม่ได้รู้จักว้าเหวรู้สึกว้าเหวทุกข์มากวันที่เราจะกลับบ้านเก่าแล้วเนี่ยเราจะตกนรกมาคนเดียวก็ไปคนเดียวพร้อมทั้งสามารถทำหน้าที่ทางสังคมโดยเป็นกัลายาณมิตรคือเป็นผู้มีสิ่งที่จะเติมเต็มให้แก่ผู้อื่นได้ ตอนนี้พ่อคูก็เห็นส่วนเรานะหลายหลายท่านก็มีส่วนเกินนะเติมเต็มบางคนก็ไปช่วยพ่อแคททำอาหารเลี้ยงผู้คนบางคนก็ดูแลเด็กนะบางคนก็เก็บกวาดพื้นที่แต่ น, นั้นเนี่ยมันเกิดจากสำนึกไม่เคยมีแม้แต่หนึ่งคำสั่งจากพกา่อครูใเราเริ่มมีส่วนเกินแล้วแต่เราต้องเติมเต็มตัวเองก่อนนะ แล้วก็สนองคุณสังคมที่เราอยู่พอมาปุ๊บเราต้องอาศัยสังคมนี้มาเติมเต็มนะเมื่อเรามีเติมเต็มได้ระดับหนึ่งการให้นี่เป็นการเติมเต็มตัวเองอีกการให้ทานก็เป็นการเติมเต็มเป็นการเจริญมรกนะนี่คือผู้ฉลาดนะทีนี้ ท่านสรุปว่าจึงมองได้ว่าระบบการปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ดูเหมือนว่าเวียนกลับไปกลับมาคือการปฏิบัตินั้นเริ่มจากศีลเข้าไปหาจิตหรือสมาธิแล้วจากสมาธิก็โยงไปหาปัญญาแต่ในทางกลับกันเวลาส่งผลที่ปัญญามาสู่ระดับสมาธิของจิตและสมาธิก็ส่งผลมาสู่พฤติกรรม ระดับศีลทั้งหมดนี้เป็นระบบความสัมพันธ์ในองค์รวมของชีวิตที่ดีงามของมนุษย์หลังจากพ่อครูอ่านบทความนี้เนี่ยของพระอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะท่านก็เขียนยาวนะพ่อครูามาตอนหนึ่งหนังสือทั้งเล่มไม่มีคำว่าสติเลย ไม่มีคำว่าสติเลยแต่ตอนนี้เนี่ยทุกแห่งเราไปปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติขันพูดศสีนสมาธิปัญญาแต่สติเป็นเครื่องมือในการเดินทางที่สำคัญแต่ไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยถ้าพูดแตกฉานในปริยัตในวิชาการแล้วเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ไม่มีสติคำหนึ่ง ศีลสมาธิปัญญาปัญญามาสมาธิศีลแต่ท่านก็บอกว่าเหมือนมันวกวนนี่แหละคือหลักปฏิสมุทบาทล่ะไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายความเชื่อมสัมพันธ์กันสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดปฏิสมุทบาทขั้นตอนไหนเริ่มต้นก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราไม่แตกฉานทั้งปริยัตหรือแตกฉานทั้งด้านปัญญาแล้วเนี่ย เราก็จะไปเรียนรู้แบบตัวหนังสือเพราะเราไม่เข้าใจมันจริงๆแต่พระอาจารย์ประยุทธ์เพระครูไม่ค่อยอ่านหนังสือท่านเท่าไหร่อ่านแล้วมีความรู้สึกไม่มีแย้งเลยท่านแตกฉานในปริยัติจริงๆนั่นะท่านถึงเข้าใจคอนเซป์นี้ทีนี้ไอ้บทที่ท่านสรุปเนื้อเนี่ย ที่บอกว่าท่านย้อนไปย้อนมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามาใหม่ใช่ไหมเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดนะถ้ามมีสมาธิปัญญาไม่เกิดนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อครูเองเนี่ยไม่มีศีลศีลห้าบอกไม่ให้ทำไรทั้งหมด4ี่สปีวินาทีนั้นพ่อคูเริ่มจากสมาธิ เป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยนั่งสมาธิแต่เขาเรียกว่าวิธีนั่งนั้นคือสมาธิเออแล้วก็เรียกไปแต่พรอครูไม่ได้ฝึกสมาธิพรอครูใช้สมาธินั่งได้ยินเสียงแอร์มันดังไอ้ น, นิสัยเราไม่ดีนี่ชอบคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นมันเกิดประโยชน์ก็ามาคิดอีก แอนนี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆทำมันมันดังจังเลยมันก็มาดึงที่หูมารู้ที่ใจมันก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นพวกกูก็ดูมันดูมันดูมันบังเอิญโชคดีมากบุญเยอะมากที่ไม่เคยรู้เรื่องพุทธศาสนาถ้าหลงไปฝึกอะไรมาแล้วมันก็ติดวิธีไงมันก็คิดว่าเฮ้มันใช่หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะ ที่พระครูเน้นพวกเราว่าสักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นเนี่ยนะมันเกิดจากพระครูไงพระครูไม่รู้ไม่รู้จากคํานี้ไม่มีใครบอกพระครูเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นพระครูก็สักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นไงเพราะพระครูไม่รู้เรื่องวิชาพุทธศาสนาไม่ต้องเอามาคิดเปรียบเทียบมันก็ดูมันตามความเป็นจริงไงมันเต้นเต้นเต้นเ้นเราก็เห็นมันเต้นอริยบทเต้นแล้วไงนี่คืออริยบทบาปนะไม่ต้องไปขวาหนอซ้ายหนอหรืออะไรไม่ต้องไปทําไงมันเต้นให้เราเลยไงนี่คืออริยบทเนี่ย อันนี้บทตามธรรมชาติไงเราก็เห็นมันเต้นเราก็เห็นมันหมุนในขณะเดียวกันเราเห็นหมดเห็นว่ามันเต้นมันหมุนมันเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงเราเห็นหมดมันเป็นสติสัมปชัญญะรู้ตัวโทษผู้พอมไม่ใช่ไปเจริญสติหรือฝึกสมาธิเห็นไหมมันเต้นขึ้นเต้งลงประมาณประมาณกะขค้กเข้าเนะี่ยมันประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นพกูวมันเต้นทําไม ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเต้นแล้วไม่ต้องไปคิดด้วยเพราะกูเห็นชัดหมดเพราะว่าพราะกูไม่รู้วิชาพุทธศาสนาพรากูไม่เคยฝึกถ้าเคยฝึกพุทเราจะพิจารณาเอ๊อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้มันทําไมเต้นวะอันนี้เราจะไม่เห็นความจริงแต่ตอนนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเราเห็นมันหมดหมดเลยเห็นทั้งหมดเลยเห็นมันวิ่งก็เห็นเห็นมันเต้นก็เต้นเห็นมันเห็นมมนหมดเลยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นทีนี้หลังจากเต้นเสร็จแล้ว เอาพูดเลยวไมันต้องมปย้อนพูดหลังจากมันเกิดอาการระเบิดค่อยไปย้อนดูมันทำไมอ๋อเนี่ยมันเช็คจิงมันผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายโดยเฉพาะนิสัยเราเนี่ยทำอะไรต้องควบคุมตลอดวางแผนตลอดวินาทีนั้นมันคลายพวกนี้หมดผ่อนคลายทั้งร่างกายทั้งอารมณ์เราก็เลยดูมันเฉยๆไงทีนี้มันหมุนปุ๊บก็มันก็หมุนตอนนี้หมุนหมุนเหมือนเครื่องซักผ้า ตัวเราก็หมุนหมุนหมุนหมุนเห็นไมพวกครูไม่ได้สั่งมันหมุนนะเราก็รู้ว่ามันหมุนไงมันต้องไปกําหนดว่าขวาซ้ายหรือทําอะไรไม่ต้องทำํำพรากครูไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้เจริญสติเห็นไหมแต่ใครล่ะที่มันมีสมาธิตั้งมั่นกับการหมุนใครล่ะเคลื่อนไหวพรากครูก็เห็นไงก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆมันก็จําไม่ได้มั น, ม, นมันไม่ดูนาฬิกานะ ทีเว้ก็เหมือนขามันชาตั้งแต่ปลายเท้านี่ขึ้นมาทั้งหมดเลยเราก็เห็นไงนะฮะเหมือนถูกระบายสีนี่แหละไม่รู้เขาทำอะไรนะะทีนี้มันก็เหมือนเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะาะในเส้นผมเนะทุ ก, ท, ก, ท, กทุกเส้นผมเลยเราก็เห็นไงเห็นหมดทีนี้อารมณ์กลัวมันก็เกิดขึ้นก็เห็นไงมันกลัวมากเลย ทำไมมันแรงขนาดนี้นะเราก็เห็นความกลัวไงทีนี้นก็หมุนหัวพ่อครูหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนความรู้สึกไม่มีกระดูกคล้ายๆมันหมุนลอดมันแหละแต่มันน่าจะแค่นี้แหละเราก็เห็นไงมันมาหมุนเบี่ยงความกลัวทิ้งที่เรากลัวเราคิดไงเราถึงกลัวมันก็เบี่ยงความคิดทิ้ง ทีนี้ไอความเบื่อของเราเนี่ยที่เราอยู่อเมริกาไงเห็นไหมมีหมดทุกอย่างทาไมเบื่อล่ะเพราะครูเข้าใจที่มันเขียนมานี่หมดเลยนะเบื่อด้วยทุกข้ อ, อ น, นี่มีในตัวพวกคูหมดนั่นแหะชีวิตแบบวัตถุนิยมทีนี้ตัวเบื่อมันลอยขึ้นมาอันนี้ชนะความกลัวได้เออมึงจะกลัวทำไมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด เพราะตอนนั้นกลัวจริงๆลึกๆนี่ไม่ได้กลัวตายนะเรากลัวว่าถ้าเกิดเราตายแล้วเนี่ยครอบครัวทำยังไงวินาทีนั้นน้องขคียอายุขวบหนึ่งความเบื่อทำลายความกลัวได้เออปล่อยเลยมันก็เกิดอาการระเบิดเพ่อครกูก็เห็นไงสามชั่วโมงนั้นเห็นชัดมากเพราะพ่อครูไม่พิจารณาไม่ตัดสินไงไม่ง้จะเอาภาษาตัวนี้มาเปล่งได้ แต่เราฝึกสัมมาทเรามีตพิจารณาไปตัดสินเราไปกำหนดมีการกระทำเกิดขึ้นไงมันก็ได้สัมมาทามันก็ได้ความสงบชัว่วคู่มันจะเกิดวิปัสนาได้ยังไงเราก็ไม่เห็นความจริงไม่เห็นอารมณ์จริงๆนะถึงว่าบทความนี้เนี่ยเหมือนทำให้พะกูเห็นว่าปริยัติเนี่ยถ้าแตกฉานแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรกับปฏิบัติ ไม่ต่างอะไรที่ผลมันเกิดขึ้นก็อยู่ในนี้หมดนะท่านพูดเรื่องการปฏิบัตินะนะมีข้อความอีกเยอะเลยยานะมีพูดเรื่องตั้งแต่ปฏิบัตินะเข้าไปในจิตก่อนแล้วก็ไปถึงปัญญานะตลอดสายเนี่ยไม่มีคำว่าสติไม่แต่คำา แต่เราใช้การเจริญสติพ่อครูเข้าใจเป็นอุบายแต่ตอนนี้ทำไบธรรมาก็เป็นหลงอุบายมันก็ไม่ไปไหนไงมันก็อยู่สติไงก็ที่ท่านสรุปให้ฟังนะแล้วก็บอกว่าการจะช่วยเหลือคนเนี่ยต้องเริ่มจากยังไงก่อนก็ไม่สงสัยทำไมพ่อครูรู้จักคิด ก็ไม่รู้เรื่องนี้ไงไม่เคยรู้ว่าภาษาที่ครูเจ้าเป่งมาเรื่องปริยัติเป็นยังไงเพราะพ่อครูสร้างศูนยนี้ทําไมมันไม่ได้เกิดจากความรู้แบบนี้มันเกิดมาจากข้างในเมื่อมันมีความเมตตาแล้วเนี่ยมันก็หามันไม่มีเวลานั่นหรอกมไม่ต้องคิดนะแต่จิตมันมองได้ให้มีอะไรที่มีเป็นประโยชน์ไหมเห็นไหมมีประโยชน์ทํำเลยแล้วพว่อครูบังเอิญเราไม่ต้องไปรายงานใคร ไม่ต้องบางคนสงสัยเอพวกคูทำอะไรอีกของนีเห็นะหเคยได้ยินข่าวว่าเออเราจะมีผ้าป่าปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะขยายสาลาออกไปอีกสาสบสองเมตรแปลกมากนะทำไมสาสิบสองนะปีที่แล้วเราถมว่าเออถมถมแล้วกวนดินมันจะซุดเออถ้าเกิดไ ม, ไม่ได้สร้างอะไรมาทำสวนหย่อมเราไปนั่งเล่นกันอะไรนี่นะ แต่ตอนนี้ขึ้นมันไม่ให้ทำแบบนั้นแล้วนะไม่มีเวลาละก็ไปเดินพราครูเดิน 9, 9, 9, 9, ก, ก้าวก้าวก้าก้าพกะเข้าๆ เ, เลยได้3ารสิสได้สั่งช่างไปวัดให้หน่อยหนึ่งบังเอิญว่า32คณนี่กว้าง32เมตรถ้าคูณ3าอทำอีกโดมหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็ต่อกันนับรวมกันแล้วเป็นศาลาร0อยเมตรครบแล้วนะอันนี้หนึ่ง และที่พักอาศัยเราเนี่ยโซนสุดท้ายเนี่ยโพธิปักขียธรรม3าประการและหลังที่37บเบังเอินคนเก่าเขามีกิจต้องออกไปอยู่ข้างนอกก็ต้องเป็นที่อยู่พ่อคูแล้วตัวนี้สร้างทำไมตัวนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเลย จิตมบอกสร้างก็สร้างแล้วขอรายงานพวกเราเดี๋ยวครูต้องรายงานนะเพราะพวกเราอยู่ในเรือลําเดียวกันนะเดี๋ยวายาพิษที่พวกเรากินก็ตายกันหมดนะอย่าเชื่อพวอครูมากอย่าเพเชื่อนะพวกครูสังเกตมานานแล้วละ่ะกลางคืนนานาจิตตังพอถึงประมาณสองทุ่มก็คนที่มีกําลังก็พอเพียงแค่นั้น ก็เก่งละดีละแต่คนมีกําลังก็ทําต่อแต่เป็นส่วนน้อยที่แรกมาแอบดูตอนบ่ายสองนถึงบ่ายสี่บ่ายสองถึงบ่ายสามก็เริ่มมีท่านอนเยอะละอาจจะพิจารณามรณานุสติทีนี้ดูก่อนตอนบ่ายยังแตะไม่ได้เพราะกลัวครูเพกกูพกลัวว่ามันจะร้อนและวันนี้ช่างเขาเพิ่งยังไม่เสร็จนะเขากำลังลอง สปริงเกอร์อยู่เพราะกูเออมันช่วยได้ระดับหนึ่งเราเสียดายมากตอนที่เรายกขึ้นนี่นะเรายกต่ำเกินไปนะแต่ถ้ามายกใหม่ก็เหมือนสร้างใหม่แล้วก็โอเคยังไงก็แก้โดยเอาสปริงเกอร์มาช่วยก็ใช้ช่วงมีนาเมษาแค่นี้นะอะไรที่เราเสริมเติมแต่งให้มันสถานที่เป็นสปายะ ถ้าบางคนอินทรีย์ภระเข้าไม่แก่กล้าร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าเขาก็จะได้พลาดโอกาสพ่อคูไม่ต้องรอให้เขาพลาดโอกาสพ่อคูทําก่อนเสมอทีนี้ก็ดูว่าเอา น, านานาจิตตังเนี่ยคิดว่าคิดว่าถ้ามีความคิดนะต้องคิดว่าพ่อคูบอกช่างว่าต้องเสร็จก่อนสงการนะก็ถ้าเสร็จตามโปรแกรม นะเราคงได้ทำบุญที่โน้นก็เริ่มที่โน้นก็ต่อไปนานาจิตตังถึงสองทุ่มแล้วก็ผู้สอวอะไรต่างๆหรือว่าคนที่ว่าพอเพียงแล้วก็กลับไปนอนนะใครคิดว่าจะชำนาญจะซิ่งต่อไปตรงนั้นเพราะตรงนั้นพื้นมันไม่มีนิ่มๆแบบนี้นะแข็งโป๊ะเลยเป็นคอนกรีตแบบขัดมันลื่นนะ เหมาะสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะก็มีชื่อเรียกแล้วละ่ะฟันตาเซียแดนซ์แฟนตาเซียในภาษาอังกฤษนี้ก็คือถ้าจังหวะนะจังหวะมั่วขอให้เต้นเป็นท่ายืนเต้นหมดส่วนท่าไหนก็ได้นนะนะตรงนั้นก็ไปถึงสามทุ่มเหมือนเก่านะแล้วก็ตอนเช้า ผู้ชำนาญที่จะมาดูมารับแสงอาทิตย์ตีห้าครึ่งเข้าไปตรงนั้นที่นี้พ่อกูเปลี่ยนแค่ช้าไปอีกครึ่งชั่วโมงหกโมงึ้นมาที่นี่จนถึงเจดโมงครึ่งค่อยไปกินข้าวกันครนะัวเขาจะได้มีเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนสายเก้าโมงเปลี่ยนเป็น9้าโมงครึไปถึงส0บโมงครึต่อไปเราเพนสิบเอโมง เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเช้ากับช่วงนั้นมันใกล้กันเกินไปนะก็เปลี่ยนเข้าแค่นี้นะนอกจากมีอะไรใหม่จะมาะรายงานพวกเรานะแต่ตอนนี้เข้าเข้าน่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วในสนามตรงนั้นนะไม่ใช่สนามนะไม่เรียกว่าจะไปไหนไปไหนอันนี้เรียกว่าศาลาจิตตานุภาพนะอันนั้นเรียกว่าลานสุริยันจันทา ตอนกลางคืนเราไปดูแสงจันทร์ตอนเช้ามืดเราไปดูแสงอาทิตย์นะไม่ไม่ใช่เฉพาะลานตรงนั้นนะป่าตรงนั้นทั้งหมดเราจะมีสนามฝึกยิงธนูตีปิงปองกลางแจ้งวาดลูกเล่นหมากลุกเดินจงกรมเพราะเราว่างช่วง11โมงจนถึงบ่ายสองนะ เดี๋ยวป่านี้มีไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็จะล่มรื่นนะเราจะปลูกไม้ไผยอะไรเสริมขึ้นมานะเนื่องจากเราเปิดกว้างแล้วมันเป็นฟิตเนสนะถึง น, นั้นจะเป็นการสงบฝึกสมถธฝึกสมาธิอะไรก็ฟังไปนะเสริมกำลังอันนี้ก็บอกเราเข้าๆส่วนถนนไล่ฝุ่นนั้นก็ทำไปเรื่อยๆตามกำลัง สุดท้ายแล้วเนี่ยรถจะไม่ให้วิ่งมาโซนนี้ละทุกคนต้องขี่จักรยานหรือเดินเอานะเราต้องการเห็นเป็นหมู่บ้านสุขภาพนะรถจนก็ใช้จำเป็นที่จะออกไปข้างนอกนะก็ต้องทำเดี๋ยวคนขี่จักรยานไม่แข็งในถนนมันเป็นลูกหลังเหยียบหินแล้วก็แล้วก็ตีลังกาอะไรเนี่ยนะก็พักูพยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ นี่แหละคือแนวทางพุทธศาสนาเราสร้างสังคมเพื่อมาปลดปล่อยมนุษย์แต่ไม่ใช่ไปสร้างความยิ่งใหญ่กับวัตถุแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่แนวทางพุทธศาสนานะแล้วก็คนที่อยู่เก่าต้องมีความยินดีที่จะอ้าแขนรับเปิดโอกาสให้คนที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น เราต้องเป็นกระยาณมิตรที่ดนะีแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดีดีนะแต่บางคนจะเข้าใจผิดนะว่ามาปฏิบัติธรรมนะไปทำงานทำไหมอันนี้คิดผิดแล้วนะการทางานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมการให้คือการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาแต่ต้องให้ด้วยที่เราสำนึกด้วยเราเองไม่ใช่ให้ให้เพราะถูกสั่งให้ทำอันนั้นเป็นแค่กรร ม, มกรไม่ใช่กัะยาณมิตรส่วนให้แบบไหนทุกคนต้อง มีสติใช้ปัญญาว่าที่มันเหมาะกับเราพอดีอย่ากเกินกำลังอยากให้จนเลี่ยงเนี่ยก็ไม่พอดีนะมันแฝงด้วยความอยากทำแค่พอดีนะทุกคนต้องเกิดจากสำนึกตัวเองนนะนะก็ที่ทำมาทั้งหมด27เปีพอมาเห็นบทความของพระอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์ัวแล้วเนี่ยก็เหมือนให้พระครูมีมี มีประหลอดวัดทางวิชาการปริยัตว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันนอกเหนือจากตรงนั้นหัหยไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างนะอันนี้มันออกมาจากข้างในบางคนแย้งพระครูเคยนะพระังคนหนึ่งเหมือนกันศึกษาประวัติว่าพราะครูสมชั่วโมงมารู้ทร ประวัติพ่อครูเป็นนักการเมืองอะไรศินห้า ก, ก็ไม่มีเลยนะที่พ่อครูพูดทุกวันนี้เนี่ยรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นเลยพ่อครูเอามาจากไหนพ่อครูบอกพก่อครู้แค่วินาทีเดียวไม่ใช่สามชั่วโมงนะวินาทีที่มันระเบิดตุ้มเลยมันรู้หมดเลยเพราะมันมันรู้แล้วตั้งนานแล้วมันถูกบังไว้เฉยๆคือเรามองอะไรมองเรื่องชาติเดียว ชาตินี้ถ้ามองชาตินี้นะเพราะกูไม่มีสิทธิ์เลยนะถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าสถิติเขาเรียกว่าอะไรนะประวัติโอ้ไอหมอนี่เคยกินเหล้าสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองสิห้าก็ไม่มีนะเป็นนักซิงวันนี้เป็นไปได้ยังไงมาพิกมาม า, ม, ามามานั่งอยู่นี่มาแสดงธรรมน่ไม่น่าเชื่อ ถ้าเราเอาประวัติในชาติเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เจ้าชายยุทธาก็เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะทิ้งทุกอย่างมาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะแต่ความคิดแบบตรร ก, กะแบบวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ย ต้องช่างตรงวัดได้ต้องมีข้อมูลไม่เอาแต่รูปธรรมไม่ยอมนามมาทำมันถึงทำให้โลกใบนี้วุ่นวายไปหมดนะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ดีนะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่เก่งนะต้องเก่งนะถึงเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมอก็ต้องเก่งไงถึงเรียนได้ไง <c oughs> เก่งเรื่องวิชาการ แต่รู้เรื่องธรรมชาติมันคนละเรื่องรู้ความจริงตามธรรมชาติมันคนละเรื่องทุกวันนี้เราตึงแก้ปายเหตุกันหมดคนล้นลงพักคนล้นคุกล้นโรงพยาบาลแล้วบอกว่าเราเก่งเลยยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดในมวลมุสยเชียชาตินะตั้งแต่มีโลกใบนี้มา เป็นยุคที่มนุษย์เสื่อมโทรมที่สุดตกต่ำที่สุดเก่งแต่เรื่องไร้สาระตอนนี้เด็กนักเรียนไปเรียนมหาวิเลายเนี่ย <c oughs> วิชาการยังไม่จบเลยวิชาอะไรไม่รู้เนี่ยมันทำได้หมดเลยหมดแล้วนะหมดแล้วนะต้องคนมีบุญเท่านั้นถึงจะ ผ่าทางตันนี้ได้นะพวกครูดูแลเด็กๆมาหลายรุ่นแล้วนะไม่มีปัจจัยเราก็หามาพวกครูไม่เคยเหนื่อยมีความสุขแต่พอได้ยินข่าวที่มันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นห่วงเด็กๆว่าจะช่วยเหลือเขายังไงเพราะเราไม่ได้ไปนั่งไปดูแลเขาตลอดเวลานะสังคมมันเปลี่ยน เพราะความคิดผิดของมนุษย์มันไม่เอาชีวิตมันจะเอาความยิ่งใหญ่มันจะเอา g d p ีีเอาความรวยทำลายโลกใบนี้จนไม่เหลืออะไรแล้วนะกว่าจะเป็นน้ำมันเนี่ยกี่ล้านปีรู้ไหมสูบขึ้นวันวันหนึ่งหลายล้านล้านบาเรลวเอามาแลกเป็นเงินข้างลางมันเป็นโพรงหดแล้วมันก็ถล่มมันกำลังถลง่มถล่มถล่มถล่ม และคนที่อยู่ที่นี่นานๆเริ่มเห็นแล้วนะปีที่แล้วก็บอกน้ำมันแรงตกใจปีนี้แรงยิ่งกว่าอีกตอนนี้จะเรียกว่าตกอะไรล่ะนะตกจิตไหมมันไม่มีใจให้ตกแล้วนะแค่มีนาเนี่ยมันสี่สิบาองศานะนะแล้วมีสา่ะมันเพี้ยนแล้ว ธรรมชาติเขาก็เตือนแล้วว่าเราเนี่ยฝึกตายทุกวันมรณ า, านุสิทุกวันผู้เจ้าบอกอย่าประมาทนั่นแหละไม่ใช่ฝึกตายอย่างเดียวอย่าประมาทนะต้องมุ่งมั่นมำเพ็ญเพียร น, นะมันไม่รอเราแล้วช่วงหลังสองสาปีนี่พวกครูไม่ได้หยุดเลยนะเห็นไหมงานก่อสร้างในศูนย์หยุดเลยไหม คิดวพ่อคูคิดอยากจะทำเหรอพ่อพคูคิดไม่เป็นนะ ม, ม, มันไม่มีเวลาแล้วมีเวลาหนึ่งวันพ่อคูก็ทำหนึ่งวันทําตามเหตุปัจจัยในเวลานั้นนะนั่นแหละตัวเองก็มีสิ่งที่ดูแลเขาก็โอเควันหนึ่งก็าให้เติมน้ำมันเมื่อหนึ่งก็เติมไปจะเอาไปทำงานผมมันเป็นภาระก็ตัดทิ้ง ก็เตรียมตัวไปทํางานนะพวกเราอยู่ที่นี่ก็เป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าของศูนย์ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่พุทธศาสนิกชนนะทั่วโลกเป็นเจ้าของศูนย์เนี่ยนะนะสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเจ้าของเพราะคูจะบอกใครอย่างมาถือว่าเป็นเจ้าของของคูนะไม่มีเพราะคูก็ไม่มีสิทธินะเใช่ไหมนะมันไม่ใช่ของใครทั้งนั้น แต่เมื่อเราอยู่แล้วเนี่ยเราอาศัยเขาเนี่ยเราอาศัยธรรมชาติเราก็ต้องมีกระตันอยู่นะต้องทดแทนบุญคุณธรรมชาตินะก็ต้องช่วยกันดูแลนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยมนุษยเสียชาติเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ของพวกครูคนเดียว พราะกูโลกนี้เกิดอะไรขึ้นพราะกูก็มาเล่าให้พวกเราฟังเป็นช่วงๆให้เรารู้เท่าทันอย่าประมาทนะมันกำลังเกิดขึ้นแรงมากสามอย่างที่เคยบอกแล้วว่ามันจะทำลายสังคมโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกใบนี้มันแตกจนไม่เหลืออะไรหรอก เกมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันบริโภคนิยมทำลายล้างไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันจะทำลายตรงนั้นตัวนั้นจะจบยุค克านา น, นิคมก็จบไปแล้วยุคคาท่าก็จบไปแล้วยุคทุนนิยมแข่งขันเสรีมันกำลังจะจบมันมีสามอย่างที่จะทำให้มันจบหนึ่งภัยธรรมชาติเห็นไหมดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเอามาทั้ง4ี่อย่างเลยมันกาลังแรงขึ้นทุกวันนะ อาวุธนิวเคลียร์สงครามล้างนี้มันก็กาลังจะเกิดตอนนี้บังเอิญว่ามันจะเลือกมันจะเลือกมันจะเลือกที่ทำสงครามในเอเชียเราเนี่ยกลังมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะกาลังมาจริงๆแล้วอเมริกาเป็นหนี้จีนมากที่สุดในโลก อันนี้คือสงครามนิวเคลียร์ก็เป็นอาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็อีกอันหนึง่งโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดมันก็กำลังเกิดขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนนะไอเชื้อไวล้วต่างๆมันก็เปลี่ยนทั้งสามอย่างนี้ก็ฝีมือมนุษย์อะ่ะเป็นตัวส่งเสริมให้มันเร็วขึ้น เป็นกรรมหนักนะบางทีญาติธรรมเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่หลายจังหวัดเนี่ยเขาโทรถามทําไมยูทูบเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไม่มีพราะครูเขาฟัง ท, ทั่วโลกเขาฟังนะอันนี้ก็ต้องบอกบอกถือว่าการบอกเขาด้วยวันนี้ว่าอาทิตย์ก่อนพ่ะครูพูดธรรมดาช่วงหลังพ่อครูสั่งปุ๊กว่าอย่าเพิ่งส่งออกแก้วต้องให้พระครูตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพราะอนนี้เนี่ยบางทีข้างในมันเป่งออกมาแรงมากเพราะขึ้นมันแรงมันก็เป่งอย่างนั้นมันมีเจตนาแหละไอ้พวกกูจะไปเป่งสร้างวัจจิก ร, รมใครไม่มีแน่นอนไม่มีเจตนาแต่ความจริงบางอย่างไม่มีเจตนาก็ช่างพอพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบกระทั่งมีสร้างศัตรูเนี่ยเราก็ไม่ควรจะ อ, ออกไปบางอาทิตย์ก็แก้ภาษานิดนึง เพราะเวลาน่ะมันออกมาจากข้างในนะไอ้ข้างนอกไปนั่งฟังให้ทำไมมันแรงจังบางทีจิตปัจจุบันเนี่ยมันเรียนรู้เกิดปัญญาจากข้างในหูเราได้ยินก็ถือโอกาสบอกว่าเออบางอาทิตย์ไม่ได้มีไม่ใช่ไม่ได้พูดพูดแล้วก็เออ ถ้าออกแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มันเปิดบางคนบอกว่าไม่แรงพ่อครูเอาเลยนะคนที่เขาไม่มีทิฏฐิมาน ะ, นะแต่คนอื่นๆเขามีทิฏฐิมานะเราอย่าไปมีอะไรกระทบเขาดีกว่านะเราก็ได้ยินกันภายในนะก็มีคำถามหนึ่งเห็นพ่อครูบอกว่ามีหมอคุณหมอมาบอกพก่อครูว่าหมอนี่อายุสั้นเป็นอาชีพที่อายุสั้นเฉลี่ย หลายปีก่อนบอก53สองปีที่ผ่านมาเหลืออยู่ปีเขาถามว่าทำไมนะอันนี้พ่อกูกพ็พูดตามความรู้สึกพ่อคูจริงๆไม่มีเจตนาไม่ใช่หมอเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ระบบมันเป็นแบบนั้นรนะะบบมันทำให้หมออายุสั้นมีหลายประเด็นภาษาอังกฤษบอกหลายแฟกเตอร์ เร็วๆนี้หมอพิกเพิ่งกลับไปเมื่อวานมาเล่าให้พ่อครูฟังว่าเพื่อนรุ่นเดียวกับเขานี่จบหมอแล้วก็ยังไม่ไปทำงานเขาก็ไปต่อยอดวิชาเขาและเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งมาสมัครงานในคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งแค่เดือนแรกรายได้เท่าไหร่พ่อครูไม่รู้เขาก็ไปออกรถ ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ไปซื้อคอนโดหนึ่งเอาเป็นว่าสองอย่างนี้เนี่ยคอนโด น, นี้ผ่อน30สปีรถยนต์นั่นผ่อนหปีไปว่า30สิปีทํางานปุ๊บสาสปีนี่เป็นหนี้แล้วแล้วก็ผ่อนเดือนหนึ่งเท่าไหร่เด็กจบใหม่นะเดือนหนึ่งสา 0,000 บาท แล้วถ้าหมอทำงานไม่เก็บเงินคนไข้แพงนี่หมอจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนส่งคนไข้คนป่วยเนี่ยหมายถึงคนไม่ปกติใช่ไหมแต่ตอนนี้คนไม่ปกติต้องทอสังขารไปหาคนปกติเพื่อจะไปรักษาสมัยโบราณไม่นะเพราะคูเด็กๆยังมีเลยตีสองกิ้งหมอไม่สบายเนี่ยเขาหมอก็เตรียมเครื่องมือนี่ ไปรักษาคนไข้ที่บ้านบางทีนอนค้างคนไข้ที่บ้านทุกวันนี้มันกลับกันเราคนไม่ปกติถอสังขารไปหาคนปกติแล้วแถมด้วยว่ามีเครดิตการ์ดไหมมีเงินไหมเมื่อหมอยกสถานภาพของตัวเองคล้ายว่ามีค่าใช้จ่ายขนาดนี้แล้วเนี่ย แล้ววงการนี้เนี่ยมันรักษาถูกได้ไหมนี่แหละเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่เห็นหมอไม่ใช่หมอเป็นคนไม่ดีแต่ระบบมันเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งอาจารย์หมอคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะจะออก Youtube ของเรานะนะศรัทธาพ่กครูมากไปบรรยายที่ไหนเนี่ยเขาก็ได้รับค่าวิทยา ก่อนเนี่ยไม่เคยเปิดหรอกสะสมไว้นานๆนบานทีนึงก็ถวายพระครูนะเป็นอาจารย์หมอมีจิตใจกุศลมากแต่คลินิกที่เขาทำงานนนะมันอยู่ตึกสูงค่าเช่าคิดเป็นฟุตทุกอย่างแพงมากถามว่าองค์กรั้นเขาเก็บถูกได้ไหม แล้วก็รักษาแบบแพทย์ทางเลือกแต่พ่อครูเรียกชื่อใหม่ว่าแพทย์ไม่มีทางเลือกคนจนไม่มีสิทธิ์น่ยพ่อครูจึงขอร้องเด็กๆ เ, เหล่านี้เนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยให้พ่อครูหน่อยเรียนเพื่อมาสร้างชุมชนไม่ใช่เรียนเพื่อทิ้งชุมชนไปเป็นมนุษย์เงินเดือนไร้สาละ เรียนเพื่อว่าเดือนแรกปุ๊บ ก, ก็ไปออกรถยี่ห้อแพงไปคอนโดแล้วก็จ่ายสามแสนคิดว่าเก่งะตัวเองเป็นทาส30สปีเป็นไทยอยู่ดีๆไปเป็นทาสบาปนะและคุณหมออีกแบบหนึง่งทำงานลงโรงพยาบาลของรัฐเหนื่อยมากคุณหมอหน้าเห็นใจมาก เพราะครูนานแล้วไม่ได้ไปวันนั้นก็มีโอกาสไปเยี่ยมอาจารย์อ้อยเด็กๆ ก, ก็ไปด้วยเขาก็เข็นอาจารย์อ้อยขึ้นไปขึ้นไปเดินนั่งบกไก่เข็นไปตึกแปดยังจำได้ชั้นหกแล้วก็เข็นก็ใช้คำว่าพูดภาษา ท, ท้องถิ่นยัดเข้าไปเพราะมันเตียงมันเต็มหมด ยัดเข้าไปในทางเดินยัดเข้าไปเข้าไปเขาไม่ให้เข้าไปหลายคนเขาไปาออกู้จอมมาเปลี่ยนเด็กๆเข้าไปหายหมดลงมาอ้วกข้างล่างไม่ใช่คนไข้เต็มไปหมดนะคนนี้ร้องโอยคนนี้ร้องโอยนะญาติพี่น้องเขานอนตะเกีกกะอยู่หน้าห้องเต็มไปหมดอาจารย์อ้อยเป็นอะไร พาเด็กๆไปมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยขึ้นสามชั้นเหนื่อยมากแกเป็นโรคความดันอยู่แล้วก็กดำกำลังขึ้นความดันขึ้นนะเขาแย่ไปห้องนั้นน่ะอันนี้ก็โอยนั่นก็โอยตอนเย็นนั้นน่ะตายไปสองกลางคืนตายไปอีกสี่พ่อกรูบอกอาจารย์อ้อยเดี๋ยวพว่อกูจะเขียนป้ายไปติดในหน้าห้องนั้นว่าห้องเพิ่มความดันถ้าคนไม่ฝึกจิตนิด ตายแล้วตายก่อนตายไม่ใช่ฝึกจิตนะมันไม่ควรตายแต่มันตายก่อนเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้ขนาดตึกแปดเนี่ยไม่รู้มีกี่สิบตึกนะและแค่ชั้นเดียวนะและอีกหลา ย, ลายชั้นนี่โรงพยาบาลทุกวันนี้เป็นแบบนี้ไงหมอทำงานหนักมากแล้วจะเอาหมอที่ไหนมาเยอะ เห็นไหมคนไข้ความดันก็เป็นรอให้มันความดันมากกว่าเก่าแล้วบางทีไม่ต้องรักษาด้วยชีวิตคนเราถูกมากเพราะครูถึงบอกว่าถ้าใครไม่อยากไปโรงพยาบาลนะจงดูแลตัวเองอย่าประมาทเนี่ยกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขหมอบิ๊กตอนนี้ก็มาทำวิทยานุพลนะ เออเขามาทายาพลนเดี๋ยวก็บินมาเดี๋ยวก็บินไปเอามาให้บระคูอ่านมีแต่คำว่า medicine medicine คือรักษาแล้วก็อีกคำหนึ่งคืออะไรบำบัดกับรักษาไม่มีคำว่าป้องกันเลยไม่มีคำว่า develop มีแต่ปลายเหตุหมดบ้านเมืองหลงทาง เรามีกระทรวงสาธารณาสุขเราไม่มีกระทรวงรักษาโรคแต่ตอนนี้เราเทไปให้รักษาโรคหมดเพราะอะไรรู้ไหมไม่งั้นหมอก็จะผ่อนส่งเดือนหนึ่งสา 0,000 ได้เลยถ้ากระทรวงสาธารณาสุขทํางานได้ผลโรงพยาบาลไม่มีงานทําชีวิตเราเหมือนกันเราทําให้ตัวเองปวดหัวแล้วเขาไปกินยาพลา นั่นแหละคิดคิดคิดคิดคิดคิดเนี่ยโรคความดันมันเกิดจากโรคดันทุลังปวดหัวแล้วก็ไปกินยาพอิบยาหมดก็ปวดอีกถ้าไม่เลิกคิดตอนนี้ความคิดแบบทุนนิยมวัตถุนิยมเนี่ยมันครอบงาไปทั้งโลกทุกคนถามหาแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนนี้เราทำอย่างนั้นไหม ถ้าพุทธศาสนาเราทำแบบนั้นเนะ่เราช่วยมนุษย์โลกไม่ได้มีแต่ซ้าเติมเขาให้เขาลำบากมากขึ้นอันนี้แหละบอกให้รู้รู้เพราะเรารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งว่าโลกมันเป็นแบบนี้นะอย่าประมาทนะรู้แล้วจะได้ป้องกันตัวนะตอนนี้ยิ่งเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยคนมันหวงหมดคนไง มันต่างคนต่างวิ่งไปหาเติมเต็มเลยเนี่ยไม่มีใครมีส่วนเกินเขาจะเติมให้เราหรอนะแต่ศูนย์เนี่ยเราต้องทำตัวเป็นปั๊มน้ำมั น, นช่วยกันใครมาเติมให้ก็เลยเหมือนปั๊มน้ำมันจอดปุ๊บไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำไปเติมน้ำมันนี่คือพุทธศาสนา ไม่ใช่รู้ทานศีลภาวนาแต่ไม่ทำเราต้องทำให้คำว่าทานนี่ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ทํามาแล้วแล้วก็ต้องทําต่อไปนะช่วยกันก็พอดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้เลิกเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล